ปัญหาที่เก้าถามถึงความมากกว่ากันแห่งบาปและบุญข้าแต่พระนาคเสนบุญและบาปข้างไหนมากกว่ากันขอถวายพระพรบุญมากกว่าบาปบาปน้อยกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทำไมจึงว่าบุญมากกว่าบาปน้อยกว่าขอถวายพระพร บุคคลทำบาปแล้วย่อมร้อนใจในภายหลังว่าเราได้ทำบาปไว้แล้วเพราะเหตุนั้นบาปก็ไม่ได้มากขึ้นส่วนบุญเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมีแต่เกิดปราโมทปิติจิตสงบมีความสุขจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นบุญจึงมากขึ้นดังมีบุรุษผู้มีฝีมือ มีเท้าขาดแล้วได้บูชาพระด้วยดอกบัวเพียงก ร, รมเดียวก็จักได้สวยผลถึงเก้าสิบเอ็ดกับด้วยเหตุนี้แหละจึงชื่อว่าบุญมากกว่าขอถวายพระพรชอบแล้วพระผู้เป็นเจ้า